ลำดับต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมแสดงคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยหลวงพ่อปราโมทปาโมชโชน่ณสวนสันติธรรมอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีหลวงพ่อปราโมทปราโมชโชนามเดิมปราโมทสันตยากรท่านเกิดปีพุทธศักราช2495 ที่บ้านดอกไม้แขวงบ้านบาทเขตป้อมปราบสตูพ่ายกรุงเท พ, พมหานครจบปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสอจอวุุ่นที่57การทำงานลูกจ้างกอรรอมนปีพุทธศักราช2518ถึง2521 เจ้าหน้าที่วิเคราะหน์นโยบายและแผนสถึงเจสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติปีพุทธศักราช2521ถึง2535ผู้ชำนาญการ8ถึงสองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยปีพุทธศักราช2535ถึง2544การศึกษาทำท่าน สอบได้นักธรรมชั้นตีศึกษาอานาปานสติตามคำสอนของท่านพ่อรลีธรรมทโลตั้งแต่พุทธศักราช2502และตั้งแต่ปีพุทธศักราช2525ศึกษากรรมฐานจากครูบาอาจารย์สายวัดป่าหลายรูปอาทิเช่นหลวงปู่ดูลัตุโลหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยหลวงปู่เทศเทศลังสี หลวงปู่สิมพุทธาจาโรหลวงปู่ปุญจันทร์จันทาวารโหลวงปูส่สุวัตสุวัจโจเป็นต้นหลวงพ่อปาโมดปราโมดโชท่านอุปสมบทเป็นพระพิสุสินสองยยี่สิบในบวรพระพุทธศาสนาครั้งแรกอุปสมบทในสมัยที่ยังเป็นนักศึกษาณพัทศีมาวชชนประทานลังสลิดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโดยมีหลวงพ่อปัญญานันทะ เป็นพระอุปชาอุปสมบทครั้งที่สองณพัตสีมาวัดบูรพาราม อ, อําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์วันที่30 ม, มิถุนายนพุทธศักราช2544โดยมีพระราชวรคุณหลวงพ่อสมศักดิ์ปันทีิโตเป็นพระอุปชาต่อมาท่านจา บ, บนัสาอยู่ณนะสวนโพธิญาณอรัญญาวาสี อ, อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 5,000 ันษาพันษาที่6ปีพุทธศักราช 2,549 ท่านจำปัรษาณสวนสันติธรรมอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีถึงปัจจุบันนี้หลวงพ่อปราโมทปาโมดโชท่านเป็นผู้ที่มีความจริงใจและจริงจังต่อ ง, งานเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ท่านยังคงมุ่งมั่นทำงานเพื่องานมิต้องการอื่นใดนอกจากจันลงเพื่อพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายการนี้เป็นการควรฟังธรรมดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายการนี้เป็นการควรฟังธรรมณบัดนี้ขอเชิญสาธุชนพุทธบริษัท ต, ตั้งใจนอบน้อนมนมัสการ แด่พระผู้มีพระภาคอราหาันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทมสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติโดยพร้อมเพียงกันทุกท่านทุกคนเทอินเอาหน้าขอศีล ขอกันมาบ่อยๆยนส่วนเองก็เป็นแล้วเหลือแต่ต้องทามเมานะสีสำคัญนะถ้าไม่มีสีนนภาวนาไม่ได้หรอกแชมจะฟุ้งสัน้นเอ็นพวกเราอย่างน้อยต้องมีสีเอาไว้ก่อนภาวนาไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นเลยนะรักษาสีไว้ในสมัยพุทธกาลเคยมีพระองค์หนึ่งท่านบวชมาแล้วท่านก็เสียใจว่าท่านภาวนาไม่ได้ ใครๆเขาก็ได้มากผลนิพพานนะั้นท่านทําไม่ได้เลยวันหนึ่งนะท่านเอามีดโกนมาเชือดคอตายอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามเลียนแบบนะท่านเอามีดโกนมาเชือดตัวเองนะเสร็จแล้วท่านก็นึกดูก่อนจะตายนะท่านนึกดูว่าบวชมาไม่ได้อะไรเลยเสร็จแล้วท่านนึกขึ้นได้ว่าตลอดเวลาที่บวชมาเนี่ยศีลของท่านไม่ดั่งร้อยนะท่านรักษาศีลมา เราคิดว่าศีลไม่เคยด่งพลอยนะจิตใจมีความสุขมีความสงบขึ้นมานี่เป็นการทําสมถะกรรมฐานชนิดหนึ่งนะชื่อศีลานุสตินนี้ถ้าเรามีศีลใจเราเรานึกถึงอยู่เรื่อยใจมันก็สงบได้คนไม่มีศีลน้าใจฟุ้งซ่านอย่างเราจะกลัวหกคนเราจะกลัวหกใครสักคนใช่ไหมเราต้องจําใช้ความจาําว่ากลหกเขาว่าอย่างไงจําไม่ได้ก็เหนื่อยจําไว้ก็เหนื่อย จำผิดเขายิ่งเหนื่อยหนักเขาอีกเราจะฆ่าใครเราจะปล้นใครเราก็เหนื่อยนะต้องวางแผนต้องคิดเะงั้นถ้าเรามีศีลเนี่ยจิตใจเราก็สบายงั้นเบื้องต้นนะพวกเรารักษาศีลไว้ก่อนหังจากนั้นพอเรามีศีลแล้วเนี่ยเราจะมาเริ่มภาวนาในขั้นที่สูงขึ้นไปนะวันนี้มีเวลาจํากัดมากเลยนะงั้นหลวงพ่อต้องเทศแบบอะไรดีไฮสปีดนะการภาวนานะั้นมันมีสองส่วน ส่วนหนึ่งชื่อว่าสมถกรรมฐานส่วนหนึ่งชื่อวิปัสสนากรรมฐานควรทำทั้งสองอย่างนะถ้าทำได้แต่ถ้าทำไม่ได้เหลืออย่างเดียวควรจะทำอะไรเนะหลืออย่างเดียวถ้าทำวิปัสสนาได้ให้ทาวิปัสสนาเพราะวิปัสสนาเนี่ยเป็นเนื้อแท้ในทางศาสนาพุทธสมถกรรมฐานนั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกนะหรือสีชีพไตเนี่ยทำสมถะได้มาก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตานเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตนถะ ออกไปบวชก็ไปฝึกสมถะกรรมาฐานจากฤาษีงั้นสมถะกรรมาฐานมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเนื้อหาสาระที่แท้จริงในพระพุทธศาสนาซึ่งไม่มีใครเหมือนเลยชื่อว่าวิปัสสนากรรมาฐานแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธสมถะถ้าทําสมถะได้นะเราใต้กาลังเรามีเรี่ยวมีแรงเวลาภาวนาทําวิปัสสนานะวันไหนเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยขึ้นมาหรือจิตใจฟุ้งซ่านไม่สามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ก็มาทําความสงบ นี่พวกเราทําสมาถะกรรมฐานเนี่ยพวกเราทําแบบมวยวัดอันเนี้ดูถูกวัดมากเลยความจริงมวยนอกวัดนะถ้ามวยวัดจริงๆต้องภาวนาเป็นหลักของการทําสมาถะกรรมฐานเนี่ยง่ายโดยธรรมชาติแล้วจิตของเราเนี่ยร่อนเร่ตลอดเวลาร่อนเร่หนีไปโน่นหนีไปนี่จิตของเราเหมือนเด็กซนๆเด็กคนนี้ซนตลอดเวลานะวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาจิตเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทํายังไงจิตจะสงบ เวลาเด็กโซนๆเราเอาไม่เร็วไปไล่ตี ม, มันสงบเหมือนกันนะแต่แบบสงบแบบเคร่งเครียดไม่ดีเราต้องหาอะไรที่ถูกใจเด็กไปล่อดเด็กนะเช่นชวนมันมากินไอติมนะมันเป็นซนที่อื่นนะบอกเข้ามาบ้านนะมากินไอติมนะเดี๋ยวจะเปิดหนังการ์ตูนให้ดูอ่ะนเด็กได้อารมณ์ที่ถูกใจนะเด็กก็ไม่ไปโซนจิตนี้เหมือนกันจิตเหมือนเด็กจิตของเราล่อเร่ตลอดเวลาถ้าเราหาอารมณ์ที่มันมีความสุขมาล่อมัน อารมณ์ที่มีความสุขมารอดจิตก็จะไม่สุขส่วนอย่างหลวงพ่อตอนเจ็ดขวบตอนเจ็ดขวบเขเริ่มเรียนกรรมาฐานแล้วแต่เรียนกับท่านพ่อหลีวัดอโศการามพวกเราส่วนใหญ่ยังไม่เกิดหรอกนะปีสองพันห้าร้อยสองบางคนก็เกิดแล้วนะแต่ว่าดูหน้าตาส่วนใหญ่ก็ยังไม่เกิดหรอกหัดหลวงพ่อหัดหายใจนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโตนับหนึ่งเข้าพูดออกโตนับสอง ตอนเราเด็กๆนะเราหายใจไปอย่างสบายๆเราไม่ได้คาดหวังเลยว่าหายใจเราจะได้อะไรใช่ไหมหายใจเล่นๆหายใจเล่นๆไปอย่างสบายใจหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรมีความสุขนะพอจิตใจมีความสุขจิตสงบเลยนี่พอจิตใจเราสงบเราเริ่มรู้รสชาติของความสงบนะชักจะติดใจอันนี้เวลาหายใจนะอยากสงบอยากสงบจะไม่สงบนะเพราะความอยากมันเกิดขึ้นแล้วใจมันจะดิ้นรน ต่อมาถึงจะฝึกมานานนะเป็นปีๆถึงได้เคล็ดลับของการทำสมถะเคล็ดลับของการทำสมถะอยู่ที่เราต้องทำอย่างมีความสุขพวกเราต้องไปเลือกอารมณ์กรรมฐานที่ทำแล้วมีความสุขคนไหนพุโทโธแล้วมีความสุขนะก็พุโทโธไปคนไหนหายใจเข้าหายใจออกมีความสุขก็หายใจไปคนไหนดูท้องพองยุบมีความสุขก็ดูท้องผองยุบไปคนไหนเดินจงกรมแล้วมีความสุขก็ไปเดินจงกรมอะไรก็ได้ไม่เหมือนกันหรอก แต่ละคนไม่เหมือนกันนะทางใครทางมันแต่หลักนั้นอันเดียวกันคือหาอารมณ์ที่มีความสุขมายั่วใจนะมาดึงดูดใจให้ใจมันก็ไม่หนีไปที่อื่นเหมือนอย่างเวลาเราอ่านหนังสือที่สนุกสนุ ก, ส, นกสักเล่มหนึ่งไหมอ่านได้ทั้งวันอ่านได้ทั้งคืนไม่หนีวกแวกไปที่อื่นเลยนี่เพราะอะไรเพราะมันมีความสุขนะอย่างหลวงพ่อหัดภาวนานะหลวงพ่อชอบหายใจนะจนป่านนี้ยังไม่เลิกหายใจเลยนะยังหายใจอยู่นะหายใจไปหายใจไปนะใจเรามีความสุข ใจิตใจสงบนะเคล็ดลับของการทาําสมถะจึงอยู่ที่ว่าอย่าไปบังคับจิตจิตไม่ชอบการบังคับจิตเหมือนเด็กนั่นแหละยิ่งเราบังคับจิตนะก็เหมือนเราไปบังคับเด็กเด็กก็เครียดเด็กที่เครียดเด็กไม่มีความสุขนะตราบใดที่จ้องอยู่มันก็เรียบร้อยหลกอกระเเสวเมื่อไหร่แล้วมันลุยแหลกเลยจิตนี่เหมือนกันถ้ามีอารมณ์ที่มีความสุขแล้วมันไม่หนีไปไหนมันก็มีความสุขอยู่อย่างนั้นแหละ นี้พอเราภาวนาไปเรื่อยๆนะอยู่ในอารมณ์บันเดียวจิตไม่วอกแวกไปที่อื่นไม่ ว, วิ่งซ้ายวิ่งขวาวิ่งข้างบนข้างล่างไปอดีตไปอนาคตนะหายใจไปรู้สึกตัวไปอยู่กับปัจจุบั น, นพุดโธไปรู้สึกตัวไปอยู่กับปัจจุบันทําไปอย่างนี้นะจิตก็สงบง่ายย่าตายไปแต่ถ้าไปบังคับนะไม่ได้กินหรอกเมื่อก่อนที่นี่ครูบาอาจารย์มาเยอะนะเมื่อ20กว่าปีก่อนหลวงพ่อมานั่งฟังครูบาอาจารย์เทศที่นี่เหมือนที่พวกเรานั่งตอนนี้แหละ อีกยี่สิบปีข้างหน้าก็อาจจะมีพวกเราขึ้นมานั่งเทศต ร, ตรงนี้บ้างนะถ้าตึกนี้ไม่พังซะก่อนครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะคือหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธสอนดีมากเลยท่านสอนบอกว่าสมถะเนี่ยเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจอย่างเราอยากให้จิตสงบนะหายใจอืมจะให้สงบนะไม่สงบหรอกะต้องไม่ตั้งใจนะหายใจไปรู้อารมณ์อย่างมีความสุขไปเรื่อยๆแล้วจิตสงบของมันเองนี่เคล็ดรับของการทําสมถะ ส่วนเคล็ดลับของการทำวิปัสสนาเนี่ยอยู่ที่เราต้องหลุดออกจากโลกของความคิดให้ได้หลวงพ่อพุธท่านสอนบอกว่าสมถะเนี่ยเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดใจของเราคิดทั้งวันรู้สึกไหมใจของเราคิดทั้งวันคนไหนไม่คิดบ้างยกมือมีไหมคนไหนคิดทั้งวันยกมือไหอันนี้หลวงพ่อเวลาถามนะต้องกลับค่ายอย่างนี้ไม่งั้นมันไม่ยกหรอก ใจของเราโดยธรรมชาติแล้วมันหนีไปคิดทั้งวันนะสังเกตไหมเวลาที่ใจหนีไปคิดเนี่ยเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายนึกออกไหมเวลาที่เราไปคิดเรามีร่างกายเราก็ลืมมันไปเรามีจิตใจนะเราก็ลืมจิตใจงั้นเมื่อไรหลงไปคิดนะเมื่อนั้นจะลืมกายเมื่อนั้นจะลืมใจนะวิปัสสนากรรมฐานคืออะไรวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือการที่มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงถ้าลืมกายลืมใจเสร็จแล้วเนี่ยทำวิปัสสนาไม่ได้แน่ แต่ถ้าเพ่งกายเพ่งใจนะไม่ใช่รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงก็ไม่ใช่วิปัสนาอย่างเรารู้ลมหายใจนั้นเราเพ่งให้จิตแนบอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาก็เป็นสมถนนะจะเป็นวิปัสนาได้ต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจนั่คือความจริงของากายของใจวิปัสนาคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจถ้ารู้ความจริงของกายของใจแล้วจะเกิดอะไรขึ้นพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าเพราะรู้ตามความเป็นจริงรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่าย เพระเบื่อหนายจึงคลายกำหนัดคือคลายความรักใคร่ผูกพันยึดถือเพราะคลายกำหนัด จ, จึงหลุดพน้นไหมหลุดพ้นจากอะไรหยุดหลุดพ้นจากความยึดถือกายยึดถือใจนะไม่ใช่หลุดพ้นออกไปนอกโลกนะลืมโลกสติแตกไม่ใช่แต่ว่าไม่ยึดกายยึดใจจุดเริ่มต้นมันก็เลยมาที่จักที่การรู้ตามความเป็นจริงนั่นเองเพราะรู้ตามความเป็นจริงเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึ ง, Verse จงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้น เราหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วจิตอื่นเพื่อความหลุดพ้นเนี่ยไม่มีไม่ต้องทําอีกทําแล้วทําเลยงั้นจุดเริ่มต้นอยู่ที่ว่าทํายังไงจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง <นะ S 1> เวลาเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเราจะลืมกายลืมใจอ้าวพวกเราหลวงพ่อจะหยุดแป๊บหนึ่งให้พวกเรานั่งคิดดูซิเวลาคิดแล้วมันลืมกายลืมใจจริงไหมอ้าวคิดไป เห็นไหมมรณายกเห็นไหมเข้าสมาธิไปแล้วดูออกอย่างใจวอกแวกวอกแวกดูออกอย่างนะเห็นไหมขณะที่ใจไปคิดนะบางครั้งเรารู้เรื่องที่คิดบางครั้งคิดอะไรก็ไม่รู้นะขณะที่คิดจะรู้เรื่องที่คิดหรือไม่รู้เรื่องที่คิดก็ตามเราจะลืมกายลืมใจตัวเองนะเพราะฉะนั้นการที่ใจเราหลงไปคิดนี่แหละคือศัตรูเบอร์หนึ่งเลย มันลืมกายลืมใจเมื่อไรลืมกายลืมใจนะไม่มีวันทําวิปัสนาได้เลยเราวิปัสนาต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนี้ถ้าเราไม่ลืมกายลืมใจไม่หลงไปอยู่แต่ในโลกของความคิดคอยรู้สึกอยู่ที่กายที่ใจขึ้นวิปัสนาหรือยังยังไม่ขึ้นต้องเห็นความจริงของกายของใจคือเห็นไตรลักษณ์ให้ได้ก่อนทํำยังไงเราจะสามารถเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของ ใ, ใจได้ตัวนี้ตัวสําคัญนะพวกเราต้องเรียนให้ได้นะถ้าพวกเราเรียนไม่ได้เราไม่มีโอกาสเป็นพระอริยบุคคลเลย ถ้าเราเรียนได้นะชาตินี้ยังพอจะเป็นพระอริยะกับเขาได้บ้างทำยังไงจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้อันแรกเลยต้องมีสติไม่ลืมกายไม่ลืมใจคอยรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจรู้ถึงความมีอยู่ของกายรู้ถึงความมีอยู่ของใจอันที่สองต้องมีสัมมาสมาธิถ้าขาดสัมมาสมาธิแล้วปัญญาจะไม่เกิดสัมมาสมาธิไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วก็เคลิงอแงงอแงกไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วก็เครียด อันนั้นมันมิจฉาสมาธินะอย่างถ้านั่งอย่างเนี้ยนะแล้วก็นั่งแล้วก็อย่างนี้นะมิดช้าสมาธินะใจมันจะเยิมเยิมเคลิ ม, เ, มเลิมเลือนเลือนลางๆ ง, งนะอย่างนี้ไม่เรียกว่ามีจิตตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิเนี่ยครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อนะแต่ก่อนท่านก็มาเทศกันที่นี่เยอะเลยหลวงปู่ซิมหลวงปู่อะไรต่ออะไระหลวงพ่อเรียนกับท่าน่ะท่านพูดถึงคำคำหนึ่งคือคําว่าจิตผู้รู้ จิตผู้รู้นะไม่ใช่จิตผู้หลงไม่ใช่จิตผู้เพ่งแต่เป็นจิตผู้รู้จิตผู้รู้นั่นแหละคือจิตที่มีสัมมาสมาธิจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตของเราเป็นแต่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่ใช่จิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเราต้องคอยรู้ทันนะจิตเราชอบไหลตลอดเวลาจิตไม่ตั้งมั่นจิตมีธรรมชาติไหลตามอารมณ์ตลอดเวลาเวลาเราดูอะไรสักอย่างจิตเราก็ไหลไปอยู่ที่นั่น อย่างมาดูหลวงพ่อรู้สึกไหมบางทีจิตไหลไม่อยู่ที่หลวงพ่อดูออกไ้มเวลาเราฟังจิตเราก็ไหลไปฟังนะเวลาเราคิดจิตก็ไหลไปคิดจิตที่ไหลไปไหลมานี่แหละเรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นไม่มีสัมมาสมาธิเห็นไหมไอ้หนุ่มเสื้อลายเห็นไหมจิตหนีไปคิดจิตมันไหลไปเนี่ยไอ้สาวนี่ไปดูไอ้หนุ่มโนนเห็นไหมจิตไหลไปที่โนนลืมตัวเองจิตมันหนีตลอดนะจิตมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตมันไม่ตั้งมั่น งั้นเราต้องมีจิตที่ตั้งมั่นนะวิธีจะให้เกิดจิตที่ตั้งมั่นมีสองวิธีวิธีที่หนึ่งทำฌานคนรุ่นเรานี่ทําฌานยากนะที่หลวงพ่อเห็นไม่ค่อยมีหรอกที่ทําฌานได้ส่วนมากเป็นชานบ้านชานเรือนเรื้อยอยู่ที่พื้นนะอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายหน่อยก็คือให้คอยรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นนั้นมันก็มีลักษณะเหมือนกับอย่างอื่นแหละคือมันไม่เที่ยง นะถ้าเรารู้ท่านจิตที่ไม่ตั้งมั่นนะจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นเองเพราะความไม่ตั้งมั่นมันจะดับไปเนะพราะเราใครสังเกตดูใจมันวิ่งตลอดเวลาขณะที่ฟังหลวงพ่อพูดสังเกตดูจะเกิดสภาวะที่จิตไหลไปหลายอย่างอันแรกเลยไห ล, าหลามาดูหน้าหลวงพ่อรู้สึกไหมจิตบางทีก็ไหลามาอยู่ที่หลวงพ่อมาดูหน้าหลวงพ่อบางทีก็ไหลไปฟังตั้งใจฟังฟังได้คำสองคาก็สลับไปคิดมีใครฟังแล้วไม่คิดบ้างมีไหม ดูซิมีไหมมีใครฟังแล้วคิดบ้างดูสิมีใครคิดโดยไม่ได้ฟังบ้างมีไหมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะไม่ใช่เป็นไปไม่ได้สังเกตนะจิตหนีไปคิดให้รู้ทันจิตหนีไปคิดให้รู้ทันฝึกตัวนี้ให้มากๆนะจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาจิตปกตินั้นร่อนเร่ตลอดเวลาไหลไปตลอดเวลาเห็นไหมไม่ชี้จิตไหลไปไม่ชี้ทางนี้เห็นไหมจิตมันหนีไปจิตมันลืมตัวเองนะ งั้นเรามีสติรู้กายรู้ใจนะแล้วก็รู้ทันจิตจิตมันไหลไปเรารู้ทันจิตมันไหลไปเรารู้ทันจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเองพาจิตมันตั้งมั่นแล้วคราวนี้เรเรียกว่าเรามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะลหลายคนที่ฝึกภาวนากับหลวงพ่อนะตอนนี้คนที่จิตตื่นขึ้นมาเนี่ยมีเป็นพันเป็นหมื่นแล้วนับไม่ถ้วนเลยะคนที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเต็มไปหมดเลยเวลาพวกนี้ไปตามวัดครูบาอาจารย์นะบางทีท่านเห็นปุ๊บท่านรู้เลยว่าลูกศิษย์ใคร บางแห่งบอกอย่างนั้นนะเห็นหน้าก็รู้แล้วว่ารู้สิทธ์ใครนะเขเรียนกับเรานี้ตื่นเอาตื่นเอานะแต่ไม่ใช่ตื่นเต้นนะตื่นรู้เนื้อรู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวนะไม่ใช่ใจลอยไม่ชีใจลอยรู้สึกไหมไม่ชีไม่ชี้คนนี้แหละใจลอยใช่ไนหะใจมันไหลไปใจมันลอยไปนะสังเกตไหมเราใจลอยทั้งวันเดี๋ยวลอยไปดูเดี๋ยวลอยไปฟังเดี๋ยวลอยไปคิดนะใจลอยทั้งวันหน้าที่ต่อไปนี้นะให้กันบ้านละ ต่อไปนี้ถ้าใจลอยให้รู้ว่าใจลอยนะใจไปดูลอยไปดูก็รู้ทันใจลอยไปฟังก็รู้ทันใจลอยไปคิดก็รู้ทันให้รู้บ่อยๆแล้วใจจะตั้งมั่นขึ้นมาพอใจมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูคราวนี้เราจะทำวิปัสสนาเราจะเดินปัญญาที่แท้จริงได้ละต่อไปพอเราใจเราตั้งมั่นนะพอร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยสติมันระลึกรู้เองะจิตใจเคลื่อไนไหวนะสติมันระลึกรู้เองทาไมเราลึกรู้ได้เพราะเวลามันไหวขึ้นมานะ ใจมันมักจะเคลื่อนไปถ้าเรารู้ทันใจที่เคลื่อนแป๊บแป๊บแป๊ บ, บอย่างนี้นะมันจะตื่นขึ้นมาทุกครั้งที่รู้จิตจะตื่นครั้งหนึ่งทุกครั้งที่รู้จิตจะตื่นครั้งหนึ่งจิตจะตื่นขึ้ น, น, นะ น, น, นมาตื่นขึ้นมาตอนเนี้ฝันไปหมดเลยรู้สึกไหมฝันทั้งห้องเลยรู้สึกไหมหนีไปคิดขณะที่หนีไป <ì S 2> <ibly S 1> คิดนึกออกไหมลืมกายลืมใจนะเราจะต้องรู้สึกกายรู้สึกใจให้ได้นะแล้วใจไหลไปรู้ทันใจไหลไปรู้ทันฝึกตัวนี้ให้มากๆ ถ้าใจไหลไปเราก็รู้ทันนะต่อไปใจจะตั้งมั่นขึ้นมาอัตโนมัติเลยต่อไปเราจะเห็นรร่างกายในยสติะระลึกรู้กายด้วยจิตที่ตั้งมั่นจะเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีนะไม่ใช่ว่าดูวันนี้แล้วอีกสิบปีถึงจะเห็นกรรมาฐานของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้เนิ่นช้านะธรรมะของพระพุทธเจ้าจะต้องให้ผลเร็วพระพุทธเจ้าเคยสอนพระอนุรุ ราณูรดเนี่ยท่านคิดถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าเป็นธรรมะของมหาบุรุษมีคุณสมบัติหลายอย่างเช่นมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีนะสอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาพระพุทธเจ้ามาต่อให้กันบอกธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยของพระมหาบุรุษเนี่ยเป็นธรรมะที่ไม่เนิ่นช้าถ้าเราภาวนาหลายปีเหมือนเดิมแล้วก็ขอให้ตระหนักไว้เลยว่าทําผิดแน่นอน ถ้าทํามาหลายปีหน้าหปีสิปีจิตก็เหมือนเดิมคือสงบแล้วฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วสงบทําผิดแน่นอนถ้าทําถูกนะปฏิบัติถูกธรรมะของพระพุทธเจ้าจะให้ผลเร็วจิตเราจะตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราเราจะเห็นจิตนะมันทํางานได้เองไม่ใช่ตัวเรานะเราจะเห็นจิตมันสุขไม่ใช่เราสุขเห็นจิตมันทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์เห็นจิตมันโลภไม่ใช่เราโลภเห็นจิตมันโกรธเห็นจิตมันหลงไม่ใช่เราโกรธไม่ใช่เราหลง เห็นร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนไม่ใช่เรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนนี่มันจะถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราออกไปได้นะงั้นเราภาวนานะขั้นแรกเลยคอยรู้ทันอย่าลืมกายอย่าลืมใจนานใจไหลไปคิดแล้วรู้ใจไหลไปคิดเรารู้นะฝึกตัวนี้ไว้จะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิถ้าฝึกอย่างอื่นบางทีได้สติอันเดียวได้สมาธิอันเดียวแต่ถ้าฝึกรู้ทันใจที่ไหลไปคิดเนี่ยจะได้ทั้งสติทั้งสมาธิเลย ก็ตรงที่ใจไหลไปรู้ทันว่าใจไหลไปนี่เรียกว่ามีสตินะพอรู้ทันว่าใจไหลไปใจก็จะตั้งมั่นไม่ไหลก็เกิดความตั้งมั่นได้สมาธินะเพราะฉะนั้นให้กันบ้านแล้วนะเนื่องจากเวลามีจำกัดนะให้กันบ้านเรอปนนี้นะทุกคนคอยรู้ทันใจที่ไหลไปคิดหลวงปู่ดูลเคยสอนหลวงพ่อไว้ดีนะท่านสอนบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้ แต่ก็อาศัยคิดอาศัยคิดหมายถึงอะไรหมายถึงไม่ห้ามความคิดจิตจะคิดก็ไม่ว่านะให้มันคิดไปแต่จิตคิดไปเรารู้ทันว่ามันคิดทันทีที่รู้ว่าจิตคิดจิตก็จะตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดเกิดเป็นจิตที่รู้จิตที่รู้กับจิตที่คิดนเป็นจิตที่โรงข้ามกันเมื่อไหรเป็นจิตรู้เมื่อนั้นไม่ใช่จิตคิดเมื่อไหรเป็นจิตคิดเมื่อนั้นไม่ใช่จิตรู้นะจิตของเรามีแต่จิตคิดนะไม่ค่อยมีจิตรู้นั้นเราให้รู้ทันจิตที่ไหลไปคิด เราก็จะเกิดจิตที่รู้ขึ้นมาพอมีบ่อยๆต่อไปเนี่มันจะเห็นเลยร่างกายที่ยืนอยู่ไม่ใช่เราเดินนั่งนอนไม่ใช่เราหายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่ตัวเรานะจิตที่เป็นสุขที่เป็นทุกข์จิตที่เฉยๆจิตที่โลภที่โกรธที่หลงจิตไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่ใช่ตัวเราไม่มีเราตรงไหนเลยนะในกายในใจนี้ถ้าภาวนาไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งรู้ความจริงแล้วร่างกายนี้ก็อยู่ชั่วคราวนะร่างกายที่หายใจออกอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับ เกิดร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจเข้าอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปเกิดร่างกายหายใจออกร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยร่างกายสุขร่างกายทุกก็เปลี่ยนไปเรื่อยจิตใจเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเฉยๆบ้างก็เปลี่ยนไปเรื่อยมีใครสุขตลอดการบ้างมีไหมมีใครทุกขตลอดการมีไหมไม่มีหรอกนะมีทุกอย่างชั่วคราวไปหมดเลยเรียนเพื่อให้เห็นว่ามันชั่วคราวนะมันไม่เที่ยง นะสุกทุกดีชั่วแล้วแต่อยู่ช่วกล่าวเนี่ยมีสตินะแล้วก็คอรู้ตัวไว้ใจไหลไปแล้วรู้ไหลไปแล้วรู้นะมันจะเกิดมากลับมารู้กายรู้ใจได้โดยอัตโนมัติจะเห็นว่ากายที่ทํางานอยู่ไม่ใช่เราจิตที่ทํางานอยู่ไม่ใช่ตัวเราผู้ใดเห็นว่ากายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราก็จะไม่เห็นว่ามีสิ่งใดเป็นตัวเราอีกผู้ใดที่เห็นว่าตัวเราไม่มีผู้นั้นแหละคือพระโสดาบันพวกเราภาวนาเราต้องรู้เป้าหมายไม่ใช่ภาวนาสเปสสปะตามยถากรรม หลวงพ่อตอนเด็กๆนะห่างไกลครูบาอาจารย์ตอนเด็กไปเรียนกับท่านพ่อหลีอยู่ได้ปีสปีท่านก็มรณภาพไปเราไม่มีอาจารย์ภาวนาต่อนะเราก็จะทําแต่หายใจของเราไปอย่างนั้นเองหายใจไปแต่ไม่รู้เลยว่าหายใจไปเพื่ออะไรหายใจเราจะต้องทํำยังไงอีกไม่รู้อะไรสักอย่างเลยเรียกว่าปฏิบัติตามยถากรรมนะเสียเวลาไปตั้งนานหลวงพ่อไปทําสมถะอย่างเดียวอยู่22ปีนะนะบางคนในนี้ยังอายุไม่ถึง22ปีเลย หรวงพ่ทําแต่สมาธิอยู่22ปีนะจนมาปี25งพ้ายยี้าถึงไปเจอหลวงปู่ดุลัณฑ์ท่านสอนให้ดูจิตตัวเองถึงจะได้เห็นนะ่ยจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเวลาเราดูจิตไม่ใช่เห็นแต่จิตนะร่างกายเคลื่อนไหวมันก็รู้สึกจิตเคลื่อนไหวก็รู้สึกไม่ใช่รู้แต่จิตอย่าจงใจดูจิตอย่างเดียวนะฝึกให้มีสติร่างกายเคลื่อนไหวค่อยรู้สึกจิตเคลื่อนไหวค่อยรู้สึกไปนะรู้สึกไปเรื่อยๆ แ้วปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นเลยทุกอย่างชั่วคราวไปหมดเลยสุกขก็ชั่วคราวทุกก็ชั่วคราวกุศลกุศลชั่วคราวทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิน้นฝึกไปอย่างนี้นะฝึกไปตามรู้ตามดูอยู่ในกายในใจนี่แหละเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีดูมันไปเรื่อยๆเจ็ดปีไม่ได้ผลดูมันเจ็ดชาติก็ต้องดูนะอย่าท้อถอยเจ็ดชาตินิดเดียวเราตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเดยอะแยะนะถ้าภาวนาบางคนระลึกชาติได้รู้หูยืดเยื้อยาวนานเหลือเกินเจ็ดชาติสั้นนิดเดียว ชาตินี้ก็ไม่ต้องไปรอเจ็ดชาติข้างหน้านะลงมือตั้งแต่ชาตินี้แหละถ้ารอว่าอีกเจ็ดชาติจะภาวนาเนะนี่ยนนี้ใสเสียภาวนาไม่ได้หรอกคนนี้ใส่เสียต้องขยันภาวนาตั้งแต่วันนี้เลยมีสติรู้กายมีสติรู้ใจรู้ของเราไปเรื่อยๆหลวงพ่อหัดดูของหลวงพ่ออยู่อย่างนี้แหละหลวงปู่ ด, ดูลบอกให้ดูจิตนะเราก็ดูจิตมันทํางานไปแล้วมันเห็นกายด้วยกระทั่งนอนหลับนะร่างกายขยับยังรู้ตลอดคืนเลย ไม่มีแนะ่นอนแบบลืมเนื้อลืมตัวไม่มีเลยนะร่างกายขยับตอนเราหลับเนะี่ยอย่างรู้เลยนะพลิกซ้ายพริกขวารู้ทั้งคืนเลยนะจิตขยับเคยยืดนเคลื่อนไหวทางานก็เห็นอยู่แล้วฝึกเยอะนั่นแหละแล้วฝึกตอนเป็นคารวาส ด, ด้วยเมื่อปีสองห้ายังไม่ได้ไม่ได้บวชนะพ่อมาบวชปีสี่สี่แล้วเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่กว่าจะหมดภาระเรื่องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะแก่แล้วมาบวชทีหลังละปีสองห้าเนี่ยหัดมาดูดูของเราเรื่อย เป็นฆราวาสทำงานอยู่ในธรรมเนียบรัฐบาล น, นี่แหละใกล้ๆกันนะกลางวันนะหนีกินข้าวเสร็จแล้วนะั้นต้องหลบเจ้าหนายมาภาวนาอยู่ในวัดเบญจานี่แหละไม่วัดเบญก็วัดโสมเนี่ยอยู่สองวัดนี่แหละะภาวนาอยู่อย่างนั้นแหละมาคอยดูกายคอยดูใจของเราฝึกอยู่เรื่อยๆฝนะึกอยู่ประมาณเจ็เดือนนะกลับไปหาหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลบอกว่าช่วยตัวเองได้ละต่อไปไม่ต้องมาหาท่านก็ได้ท่านว่าอย่างนี้นะแต่เราก็ไปเรื่องอะไรจะโง่ไม่ไปอ่ะ ยังมีครูบาอาจารย์เราก็ไปสิก็ไปเรียนจากท่านอะไรละออกจากหลวงปู่ดุลก็เรียนจากหลวงพ่อพุธนะหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมอะไรนี่อาจารย์มหาบัวหลวงปู่เหลียญครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเยอะนะครูบาอาจารย์เยอะเลยเรียนจากหลายองค์แต่ทุกองค์สอนอย่างเดียวกันสอนมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะมารุ่นหลังนี่นะทํากรรมฐานเลอะเรือนนั่งสมาธิกันอย่างเดียวเลยแล้วจะเอานิมิตเอาไปหาสวรรค์วิมาตอะไรนิมิต ข้อนิมิตนั่นแหละรเรื่องสวรรค์วิมานแหลนะไม่เอาสวรรค์วิมานหรอกไปดูมันทําไมไปดูวิมานเทวดาเขาก็ไม่ให้เราอยู่ด้วยหรอกนะมาดูกิเลสของเรานะอย่ามัวแต่เอาแต่ความสงบเที่ยวดูนั่นดูนี่ไรสาระที่สุดเลยหลวงพ่อเสียเวลา22ปีไม่อยากให้พวกเราเสียเวลาอย่างหลวงพ่อเที่ยวออกรู้ภายนอกนะไม่รู้กายรู้ใจตัวเองเพราะไม่รู้วิธีทําวิปัสสนาเนะอารู้วิธีทําวิปัสสนาไม่หนีไปไหนเลยนะคอยรู้กายคอยรู้ใจทั้งวันเลย ไปหาครูบาอาจารย์ทุกอง์เลยท่านก็สอนที่เดียวกันนี้เลยขนาดไปหาอาจารย์มหาบัวนะใครๆเขาว่าดุมากนะสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้ไม่ดูุแล้วท่านแก่แล้วอาจารย์มหาบัวคนเรื่องชื่อลือชาว่าดุนะมองใครๆก็สั่นเราไม่สั่นมาเราเจะเอาธรรมะนะขึ้นไปหาท่านท่านสอนนะว่าการปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันนี่สอนอย่างนี้นะไปหาครูบาอาจารย์อื่นๆก็สอนอย่างเดียวกันแหละมีแต่มีสติรู้กายรู้ใจนั่นแหละ นะไม่ใช่มีสติเพ่งกายเพ่งใจนะให้แค่รู้กายรู้ใจดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานฝึกอย่างนี้นะมันถึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาถ้าไม่มีปัญญาอย่ามาพูดถึงมรรคนิพพานเลยได้แต่นิมิตไม่มีวันได้นะมรรคนิพพานนะต้องมีปัญญาเห็นความจริงของกายของใจเห็นไหมหกายมันทำงานได้เองเห็นไหมหจิตมันทำงานได้เองดูอย่างนี้นะดูไปเรื่อยๆเอาละวันนี้เทศเท่านี้พอมีตรวจกันบ้านสิบคนเชิญนะ อหลวงพ่อครับพอดีผมฟังซีดีของหลวงพ่อมาประมาณสองสามเดือนแล้วนะครตอนนี้อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ผมปฏิบัติมาอันนี่ถูกหรือเปล่าอย่าอย่าไปประคองใจให้นิ่งนะรู้สึกไหมขณะเนี้ยใจเรานิ่งกว่าความ<ช>เป็นจริงนะ<ช>เราต้องรู้กายรู้ใจตามที่เขาเป็นเจนจะเห็นเลยมันไม่ใช่เราหรอกแต่ถ้าเราไปประคองเราจะไม่เห็นความจริงปล่อยไปเลยปล่อยปล่อยแล้วมีสติตามรู้นะไม่ใช่ปล่อยตามยถากรรมนะ ไม่ใช่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยกายปล่อยใจสเปสสปะไม่ใช่ร่างกายเคลื่อนไหวก็แค่มีสติรู้จิตใจเคลื่อนไหวก็มีสติรู้นะเราวิาหารธรรมที่เหมาะสมกรับผมดูกายไหมร่างกายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกนะเมื่อกี้ใจหลงไปแอบรู้สึกนะให้รู้สึกเอาสองคุณติดสมาธินิดนึงอย่าประคองให้นิ่งครับกราบนรรมการหลวงพ่อครับผม ในฟังเสียดีหลวงพ่อมาประมาณสี่เดือนครับตอนนี้ก็พยายามมองอยู่กําลังศึกษาว่าการดูจิตดูยังไงก็ไม่ออกมองแล้วมันจะเป็นสมาถะไปเรื่อยครับเพราะอะไรรู้ไหมนั่งให้สบายนั่งท่านี้นานเมื่อยหลักของการดูจิตนะมีเคล็ดลับใครอยากฟังเคล็ดลับบ้างของเราเลือกเปิดเผยไม่ชอบชอบลับลับนะ <laughs> เคล็ดลับของการดูจิตเนี่ยเราต้องดูให้ถูกต้องในสามกาละสามการ ก่อนจะดูอย่าอยากดูนะถ้าอยากดูเนี่ยมันจะกลายเป็นตักเอาไว้อย่างของคุณเนี่ยมันจะไปคอยดูพอคิดถึงการดูจิตควรจะไปรอดูว่าเมื่อไหร่จะมีอะไรโผล่ขึ้นมาให้ดูตรงที่เราไปรอดูเนี่ยมันเลยไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมาจิตนะัะคล้ายๆกระต่ายกัอะไรลืร้อตัวอะไรที่มันอยู่ในพโพรงเนี้ยถ้าเราถือไม้ไปคอยจ้องอยู่ปากรูมันนะั้นมันไม่โผล่ให้ดูหรอกเพราะนั้นจิตเนี่ยเราอย่าไปดักไว้ก่อนะปล่อยให้ความรู้สึกเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอานี่คือกฎข้อที่หนึ่ง กฎข้อที่1ก็คืออย่าดักดูให้สภาวะทั้งหลายเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอานะกฎข้อที่สองก็คือระหว่างดูเนี่ยอย่าถลําลงไปจ้องส่วนใหญ่เวลาเราเห็นสภาวะนะพอเราอยากรู้ให้ชัดี่มันจะไปจ้องไหมถ้าจ้องมันก็นิ่งอีกของคุณข้อสองก็จ้องรู้สึกไหมใจลงไปจ้องมันก็นิ่งกฎข้อที่สนะก็คือเมื่อดูแล้วเนี่ยอย่าแทรกแสงนะดูแล้วมันยินดียินไร้ยขึ้นมาเนี่ยมันอยากแทรกแสงแล้ว ยินดีมันก็อยากเอาไว้ยินร้ายมันก็อยากสักออกไปนะเพราะฉะนั้นกฎข้อที่สาก็คือรู้ด้วยความเป็นกลางนะอย่าหลงยินดีอย่าหลงยินร้ายถ้ามันยินดีให้รู้ทันถ้ามันยินร้ายให้รู้ทันเช่นกิเลสเกิดขึ้นเราไม่ชอบให้รู้วไม่ชอบไม่ต้องไปหาทางละกิเลสเราต้องการเรียนให้เห็นไตรลักษณ์กิเลสก็แสดงไตรลักษณ์กิเลสเกิดได้กิเลสก็ดับได้ไม่มีหรอกกิเลสถาวรเพั้นเราไม่ได้ภาวนาเพื่อละกิเลสนะแต่เราภาวนาเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์จาได้ไหมกฎข้อที่หนึ่งก่อนดูอย่าดักดู ให้ความรู้สึกทั้งหลายให้สภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วค่อยรู้เอาเช่นความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วค่อยรู้เอากฎข้อที่สองระหว่างดูอย่าถลําลงไปจ้องดูห่างๆดูเหมือนคนดูฟุตบอล น, นั่งบนอน้าจานเหมือนหลวงพ่อนั่งอยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่สูงๆหน่อยดูลงไปเห็นคนทำโน้นทํานี้นะเราไม่กระโดดลงไปคลุกกับเขาอย่าโดดลงไปคลุกกับอารมณ์จิตแยกออกมากฎข้อที่สามก็คือดูแล้วเนี่ยจิตยินดียินไายขึ้นมาให้รู้ทันนะ ถ้ารู้ทานแล้วมันจะเป็นกลางะถ้าทําได้สามข้อนี้นะโอกาสจะบรรลุมรรคผลนิพพานก็มีแต่ส่วนใหญ่พวกเราผิดกันคนละเล็กคนละน้อยนะผิดไม่เกินสามข้อหรอกนะส่วนใหญ่ผิดสามข้อครับรขอบคุณมากครับหลวงพ่อนึกออกหรือยังผิดข้อไหนบ้างผิดทั้งตามเลยครับโอ้ถูกต้องอา้าวถูกต้องรู้สึกไหมจิตมันหลุดออกมาแล้จิตมันตื่นขึ้นมาเอาอีกแล้หลงอีกละเริ่มกรธอีกแล้วเห็นไหมครับ <พอ S 2> ผมพออยาก<น>ดู ้าอยากดูก็ลงไปจ้องพอจ้องมันก็นิ่งอย่าจ้องมันรู้เล่นๆอ่าคนตอบไปคบใครใจลอยบ้างยกมือให้โยนโฉมหน่อยใจลอยเห็นไม้มใจลอยใจมันหนีครับนัวัฒการครับหลวงพ่อครับนั่งให้สบายผมปฏิบัติก็มีหลายวิธีครับบางทีก็นั่งแบบรู้สึกเนื้อรูปตัวเฉยๆบางทีก็พุทโทอรัแล้วก็พอไปคิดก็ ก, ก็รู้ทันอย่างเงี้ย แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนั่งสมาธิแล้วนั่งทํารู้สึกตัวแล้วพอเราขึ้นมือเราเห็นมือเหมือนกับเป็นท่อนไม้<อ>แห้งนั่นแหละไม่ใช่ตัวเราเหรอกเป็นวัตถุไม่ใช่เราแล้วก็แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งคือนั่งสมาธิ ป, ปุ๊บกำลังจะลม้มตัวนอนก็เจริญสติไปทําความรู้สึกตัว ต, วตลอดจนนอนลงปุ๊บเห็นตัวเ อ, <รถ S 2> องเห <ๆ S 1> มือนกับเป็นก้าวปร่งใสข้างในโปร่งอันนนิมิตละอันนี้คือนิมิตเป็นสมถละละแสดงว่าตอนดูนี่เพ่งอยู่ไปเพ่งกายเพ่งแล้วมันจะใสเป็นแก้วครับแล้วก็ มีครั้งหนึ่งนั่งสมาธิแล้วเห็นความฟุ้งซ่านแยกมาเอออย่างนี้นทาวิปัสสนาได้เห็นไหมสภาวะธรรมอยู่ส่วนสภาวะธรรมความฟุ้งซ่านเป็นแค่สภาวะธรรมอันหนึ่งไม่เกี่ยวกับเรา<ช>มันแยกออกไปอยุด ท, ทางหักนั่นแหละดีแล้วก็เดินจงกรม ม, มีอยู่ครั้งหนึ่งก็เหมือนกับรู้สึกว่าไ ม, ม่อยากรับครั้งทางนั้นเลยครับอย่างละครั้งอย่างเดียวนะ <c oughs> แล้วทุกสภาวะเกิดแค่ครั้งเดียวเองครับหรออย่าอยากนะถ้าอยากแล้วมันจะไม่เกิดซ้ําถ้าไม่อยากเลยมันก็เกิดอีก เดินจงกรมแล้วรู้สึกเหมือนมันเดินไปเองมันมันทำเ อ, อเองทุกอย่าง เ, ออเลยเออมันทําเองอย่างนั้นใช้ได้เห็นไหมกายไม่ใช่เราหรอกมันทําเองอย่างนี้ดีนะแล้วก็ความความคิดที่เคยเห็นก็คือเหมือนกับมันแตกเป็นโม e. เลกุลแวบไปเลยเออนะมันเกิดแล้วมันดับถูกต้องเดี๋ยวนั่นแหละเรียกว่าเราทําวิปัสสนาอยู่มันเกิดแล้วมันดับดีไปทำอีกนะนักการครับาใจไม่ตั้งมั่นหรอกไหมนั่ให้สบายนั่งสบาย แรกๆที่ฟังคีิปของพ่อครับก็ตามรู้แล้วก็รู้สึกอารมณ์บ้างครับแต่ว่าภาคหลังมันรู้สึกเหมือนกับรู้สึกตัวได้น้อยลงครับแต่ว่ารู้สึกกายเห็นตัวเองใหญ่ขึ้นนะครับตัวเองหมายถึงอะไรความรู้สึกหรือว่าเห็นเห็นอัตตาหรืออะไรใช่ครับเอออย่างนั้นภาวนาดีภาวนาแล้วเห็นกิเลสนะใช้ได้ภาวนาแล้วรู้สึกกูเก่งใช้ไม่ได้ภาวนาแล้วเราเห็นกิเลสบ่อยๆยิ่งดีครับทําไมตอนนี้สติไม่ค่อยยอมเกิด ต้องฝึกต้องซ้อมเหมือนเราเป็นนักมวยนะเราชกเก่งเป็นแชมป์โลกก็ต้องซ้อมชกถ้าวันไหนไม่ซ้อมชกวันนึ่งก็ชกไม่ออกทุกวันต้องแบ่งเวลาไว้ภาวนานะแบ่งเวลาไว้สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเดินจงกรมต้องทําถ้าเราทําแต่ว่าไม่ได้ทําเพื่อให้สงบอย่างเดียวนะแล้วไหว้พระไปเราก็เห็นร่างกายมันสวดมนต์ไปใจเราเป็นคนดูไปบางทีก็ใจลอยลืมสวดมนต์ไปแล้วรู้ทันว่าจิตใจหลงไปแล้วเนะี่ยฝึกไปรู้กายไปรู้ใจไป ืออย่างนี้ทุกวันทุกวันซ้อมรู้กายรู้ใจแล้วเรามาจเจริญสติในชีวิตประจำวันมันจะรู้กายรู้ใจได้บ่อยใจลอยแล้วรู้สึกไหมออลอยไปไกลเลยนี่ให้รู้ทันอย่างนี้ได้ ย, ยก <ขอ S 1> ยกหน่อย<ล>ยกหน่อยอไม่ได้หดได้ได้ฟังธรรมของหลวงพ่อประมาณตั้งแต่เดือนเมษาค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยก็คือมีความ เ, เปลี่ยนแปลงแบบ ในหลายๆอย่างแล้วก็เหมือนกับตัวเองเข้าใจในคำสอนของหลวงพ่อมากเลยอะคะ่ะแต่ว่าคืออีกใจหนึ่งก็คือไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราเข้าใจจริงหรือเปล่าเข้าใจนะแต่ว่าเราชอบอินลรวชอบชอะไรภาษาไทยว่าอะไรรู้สึกไหมเราชอบไปหลงกับมันยังไงนะคะเรียกอะไรวะภาษาไทย <laughs> อินอนะอินอนะฮะอ็หลงไปกับอารมณ์ เห็นไหมใหญ่อตอนเล่าให้หลวงพ่อฟังมเมื่อกี้มันก็อินนะก็เคลิมคล้มๆไปในอารมณ์นะพยายามทําให้ดูน่าสงสารหน่อยๆ อ, อะไรเงี้ยจมันทําใจอ่อนๆหน่อยอาจจะช่วงนี้เป็นช่วงเยืยกบกําลังน่าสงสารมั้งนะเห็นไหมเราเนี่ยเราปรุงขึ้นมาให้ใหเรารู้ทันนะการภาวนาเนี่ยอย่า ก, กลัวหลวงพ่อนะภาวนาเนี่ยเราเรียนกันซื่อๆเลยสภาวะอะไรเกิดขึ้นเราเรียนรู้มันไปด้วยเรียนไม่ใช่เพื่อเอาดีนะแต่เรียนเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างเนี่ยชั่วคราวค่ะ พวกเราด้วยนะทุกคนนะไปดูทุกอย่างในชีวิตนี้มีแต่ของชั่วคราวสุขทุกข์ดีชั่วชั่วคราวหมดเลยนะรักษาศี่ท่าไว้ก่อนแล้วค่อยไปตามรู้ทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวอย่างเนี้หลงไปแล้วรู้สึกไหมแล้วก็อยากพูดรู้สึกไหม <คะ S 1> เห็นไหมความอยากพูดดับไปแล้วก็ขึ้นมาอีกเ น, <คะ S 1> นี่ยดูอย่างนี้นะดูไปด้วยปล่อยปล่อยให้ใจที่เป็นธรรมชาติ <คะ S 1> ของคุณยังบังคับมากไปหน่อย หลวงพ่อเหรอเราตื่นเต้นเลยบังคับมันค่ะสังเกตไหมยิ่งเราภาวนาเรายิ่งเห็นว่าตัวเองร้ายดูออกไหมว่าเราร้ายกว่าที่เราคิดร้ายค่ะร้ายเนาะหลวงพ่อว่างั้นแหละค่ะร้ายมากเลยนั่นแหละดีภาวนาดีเห็นโทสะเห็นเห็นอะไรมากมายค่ะนั่นแหละดีเราภาวนาเพื่อให้รู้ทันกิเลสไม่ใช่ภาวนาเพื่อไปกลบเกลื่อนมันคะแต่เราถือศีลหน้าไม่ใช่ว่ากิเลสเกิดแล้วตามใจมันเป็นตีกับคนนะเขาคุณดุ โดยพื้นฐานเป็นขี้โมโหมันดุเอ่อหงุดหงิดง่ายเสียใจใจน้อยนะเนี่ยเรารู้ลงไปเลยสภาวะอะไรเกิดขึ้นรู้ลูกเดียวเลยนะอ้าวไปคนต่อไปแล้วเอออยากจะขออีกคำถามนึงค่ะหลวงพ่อคืออยากจะขอวิหารธรรมให้ดูร่างกายไปขอบคุณเนี่รักกายมากด้วยน ะ, ะมันรักสวยรักงามรักอะไรเงี้ยเรารู้มันที่ที่ดูอยู่นี่ถูกต้องใช่คะนี่เพ่งอยู่อันนี้ไปเพ่งกาย รู้กายก็แค่ร <purely okay, S 3> ู <Android> ้ส like, so ึกถึงความมีอยู่ของกายไปเรื่อยๆจะเห็นในร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์นะคอยดูไปในกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ดูอย่างนี้บ่อยๆความรักกายมันจะลดลงไม่ใช่ดูจ้องไว้งี้นะไม่ใช่รู้สึกสบายๆเงี้ยเดี๋ยวมันก็ทุกข์ขึ้นมาให้ดูแล้วก็รู้ไปในที่สุดปัญญามันเกิดมันจะเห็นในร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ไปดูตัวนี้นะแล้วมันจะไม่ค่อยรักกายละ คนต่อไปครใจลอยบ้างยกมือมีผู้ร้ายปักแข็งประมาณครึ่งหนึ่งอ<า>่ า, าว่าไปหลวงพ่อค่ะก็คือว่าดังๆไม่ได้ยินอย่างส่งการบ้านว่าขณะนี้เนี่ยตื่นเต้นเป็นพื้นฐานคิดว่าไม่ได้กดจิตไม่ได้แพ่งไม่ได้ประคองแต่ว่าใจาไม่ตั้งมั่นแล้วก็มั ว, ม, วมัวด้วยมัวมัวดีมัวมัวเนี่ยจิตมีโมหะ เรารู้ว่าจิตมีโมหะใช้ได้มัวรั่ว ม, มัวหลักของการปฏิบัตินะอันแรกเลยให้รู้สภาวะที่กําลังปรากฏอยู่เช่นจิตมัวรั่ว ม, มัวอันที่สองเมื่อรู้สภาวะแล้วนะรู้ด้วยความเป็นกลางถ้าจิตมัวแล้วไม่ชอบให้รู้ถันว่าไม่ชอบในสุดมันจะรู้จิตที่มัวด้วยใจที่เป็นกลางรู้จิตที่สว่างด้วยใจที่เป็นกลางรู้ทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลางภาวนาเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตจะเข้าไปสู่ความเป็นกลาง เป็นกลางต่อสุขต่อทุกต่อดีต่อชั่วเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อจิตเข้าไปสู่ความเป็นกลางนะจิตจะหมดความดิ้นรนจิตที่ดิ้นรนปรุงแต่งตลอดเวลานี้เพราะจิตไม่เป็นกลางยินดีกันนี้ยินร้ายกันนี้จิตก็ดิ้นรนนะงั้นเราใจลอยแล้วเห็นไ้ยฟังๆอยู่หนีไปเลยเ อ, อครรู้ทันนะเห็นไหมจิตไม่มัวเท่าตะกี้ล่ะเออฮะมัวหายไปแล้วมัวดับไปแล้ว ให้ไปรู้เอาแล้วลูกคนถามว่าติดพบอะไรหรือเปล่าคะติดพบอะไรมัคะติดนะใจปฏิบัติก็เป็นพบนะค่ะเอเป็นพบขอกนักปฏิบัติค่ะแต่มันติดทุกคนแหละอย่ากลัวเลยหลวงพ่อคะเราวิหารแล้วทำขอวิหารแล้วทำอะคะดูจิตไปเราเป็นคนช่างคิดคิดมากคิดทั้งวันคิดทั้งคืนดูไปดูจิตไม่ใช่ดูไม่ให้คิดนะรู้ความรู้สึกเนี่ยใจมัวก็รู้ใจสว่างก็รู้ใจสุขใจทุกข์รู้ไปด้ อย่างอย่างบางคราวเห็นไห ม, มเมื่อกี้ใจหยาบพูดไม่เห็นไม่อยาบางข่าวแม่แม่บ่นมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออแม่บน่นมันก็ไม่โกรธแม่มันไม่มีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะไม่รู้ว่าต้องดูให้ดีไม่โกรธแม่เพราะเอาใจมาล็อกอยู่อย่างงี้เป่าเนี่ยถ้าใจล็อกอยู่อย่างนี้นะใครด่าก็ไม่โกรธหรอกอย่าไปติดล็อกสิเดี๋ยวจะโกรธแม่ขอบคุณค่ะอ้าวคนต่อไปคนนี้หัวใจจะวายแล้วเอา้า พยายามหายใจไว้นะต้องยอมรับ ว, ว่ายอมกลัวจริงๆเพราะว่ายมกลัวอะไรหลวงพ่อไม่ได้กัดใครสักคน <c oughs> คือยอมอศึกษาแล้วก็ฝังซีดีมานานประมาณก็หลายปีอยู่แล้วก็ช่วยงานทําต่างๆแต่ว่าไม่กล้าที่จะส่งกลับบ้านนะคะเพ่า ก, กลัวสิเพราะว่ากลัวว่าเอ๊ะเราเองทําผิดเราเดี๋ยวจะโดนดุเหมือนเด็กนักเรียนขี้เกเรอะะค่ะโดนครูดุก็ดีแล้ว ถ้าไม่โดนดูมันจะภาวนาเป็นเหรออย่า ก, กลัวครูสิก็นะตอนนี้คิดว่าชีวิตของคนเรามันเสน้นมันเหลือเวลาน้อยอะค่ะสังเกตไหมหลวงพ่อถามที่ฝ่าถามหลวงพ่อไม่ออกสังเกตไหมใจของเราขนาดนี้กระจของเราธรรมดาเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนกันซอบผ่านนะเพราะฉะนั้นใจของเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ว่ามันนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะไปฝึกอีกขอบคุณค่ะ รู้สึกไหมใจตรงนี้สบายกว่าตะกี้แล้วโล่งเลยรู้สึกไหมอ่าเห็เจ็ดไหมเราลืมตัวเราเองเอรู้สึกแปลแต่อย่าเพ่งไปไปได้เลยเกรงเลยรู้สึกไหมกระดุกกระดิ๊กนะเกรงใหญ่เอาทุกคนเชื่อกันมองคนนี้กําลังขยับนะกับนมัสการหลวงพ่อค่ะเป็นลูกศิษย์ใหม่ค่ะเมื่อสักครู่ตอนที่หลวงพ่อกล่าวเรื่องจิตเป็นกลางอะคะ่ะ อาการของจิตเป็นกลางนี่มันเป็นลักษณะยังไงคะก็จิตไม่หลงยินดีจิตไม่หลงยินร้ายเป็นกลางมันจะมีความนุ่มนวลมันจะมีแบบจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมีความนุ่มนวลมีความเบามีความนุ่นนุ่มนวลมีความปราดเปรียวว่องไวจิตที่หนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งซึมซึมทื่อๆนี่เป็นอกุศละจิตอย่างตอนนี้ตื่นเต้นอยู่เป็นตื่นเต้นไม่เป็นไร มันตื่นเต้นของมันเองไม่ใช่เราตื่นเต้นเห็นไหมดูอย่างนี้มันโกรธของมันเองไม่ใช่เราโกรธดูอย่างนี้เคยดีภาพ ด, ดูออกไหมดูออกไหมจิตมัวขนาดเนี้ยไม่โ่อ่งใสมัวยังไงคะขลเอองั้นไปดูกายไว้ <c oughs> นะร่างกายขยับกระยืดเคยรู้ไว้คิดขนาดเนี้ยไม่แจ่มใสดูออกไหมลุกนี้ลุกรนดูออกไหมเพราะกำลังคิดถึงเรื่องที่จะทำใช่ อย่าเอ่ยชื่อคนอื่นนะอ่าว่าไปมีพ้าผู้ใหญ่นะคะทักว่าแหมโยมนี่ใจถึงเนาะใจถึงหนูไม่เข้าใจคําว่าใจถึงของท่านนะคะหลวงพ่อก็ไม่เข้าใจหลวเพราะว่าใจยังไม่ถึงอะ่ะและแต่เคยฟังซีดีหลวงพ่อแล้วมีคําว่าใจถึงอยู่บ่อยใจถึงเนี่ยนะหมายถึงว่ากล้าที่จะปล่อยให้กายมันเคลื่อนไหวให้ใจมันเคลื่อนไหวไม่บังคับมันแค่มีสติตามดูไปคนส่วนใหญ่เนี่อรักตัวเอง นะเพราะงั้นจะพยายามบังคับกายบังคับใจตลอดเลยไม่กล้าปล่อยให้มันทํางานมีแต่จะไปบังคับมันนะของคุณยังบังคับอยู่นะยังไม่กล้าหรอ ก, กรู้สึกไหมไปกดมันอยู่กดใจหรือว่ากดใจคะกดใจรู้สึกไหมใจของเราตอนนี้ยนิ่งๆกว่าความเป็นจริงดูออกไหมนิ่งค่ะนิ่งเห็นไหมนิ่งเนี่ยเพราเรากดเอาไว้ทําไม <โด S 1> กดเอาไว้เพราะเรากลัวมันจะตื่นเต้นขึ้นมาไหมเห็นไหมเราไม่กล้าจริงอต่เรากลัวนึกออกไหมยัง ตอนนี้จิตเริ่มเคลื่อนออกมาแล้วรู้สึกไหมจิตตรงนี้แหละคือจิตที่รู้สึกตัวอพอหายใจเข้าลึกๆมันช่วยได้นะคะมันแบบเหมือนกับแล้วแต่ละคนถอนใจอดีที่สุดเลยถอนถอนใจเนี้ยเ <c oughs> ออหายใจเข้าลึกๆมันยิ่งหนักกว่าเก่าสิเอาะนะไปถอนใจนะขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะอย่าไปประคับมันต้องปร่งๆงอย่างนี้แล้วปล่อยตรงเนี้นยกดไว้นิดหนึ่งแล้ มรสการพระอาจารย์ค่ะดังไม่ได้ยินเรียนกับพระอาจารย์มาประมาณจะสองปีแล้วค่ะหรอได้อะไรบ้างอะได้เยอะแยะเลยค่ะหรืว่าไม่ได้ก็ไปหาที่เรียนอื่นเพราะถ้าภาวนาถูกต้องแล้วมันต้องมีความเปลี่ยนแปลงค่ะสังเกตไหมใจเราไม่เหมือนเมื่อก่อนใจมันปล่งลงเบาสบายกว่าแต่ก่อนใชค่ะตามรู้มันไปค่ะระวังไว้อันเดียวใจมันจะไปติดโล่งๆค่ะนะใจมันอยู่ๆก็น้อมไปแปะความว่างๆข้างหน้าเราเนี่ย อย่าให้มันติดอยู่ในความโล่งความว่างคพนะยายามกลับมารู้สึกที่กายกลับมารู้สึกที่ใจบ่อยๆคอย่าเอาแต่ความสุขนะคภาวนานแล้วมันมีความสุขมันอยากพูดรู้ไหมรู้ค่ะเอออย่างนั้นแหละรู้อย่างนั้นแหละค่ะแล้วพระอาจารย์คะอย่างช่วงเนี้ยค่ะมันติด ก, ก็คือปกติเนี่ยจะเห็นสภาวะเยอะใช่ไหมคะมแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามันเหมือนอย่างนั่งฟังพระอาจารย์อยู่เมื่อกี้เนี้ยค่ะรู้สึกว่ามันเป็นสภาวะแบบ หนูเรียกไม่ถูกมันเหมือนเนียนเนียนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละที่หลวงพ่อว่ามันติดนั่นแหละอติดว่างว่างนั่นแหล<า>ะติดความเนียนเนียนว่างว่างใสใสโล่งโลงโป่งโปรงสบายสบายแล้วก็<า>เพลิอนอยู่ตรงนี้ตรงนี้ใช้ไม่ได้ห<า>ให้รู้ทันว่าจิตติดในความว่างความเฉยนะอย่าให้มันเนียนอยู่อย่างนั้นนะไม่เอาอย่างนี้หนูกลับมาดูกายได้ไหกลับมาดูกายไหมนะกลับมาเป็นนางตัวร้ายเหมือนเดิมไม่ใช่เป็นนางใจดีคนะคนต่อไป ดีนะที่มาถามเพราะมันติดว่างหลวงพ่อก็เคยเป็นมีอยู่ช่วงนะภาวนาไปแล้วใจก็เป็นอย่างนี้แหละสบายโล่งว่างนะไปหาอาจารย์มหาบัวบอกท่าอาจารย์ผมดูจิตทำไมมันไม่พัฒนาไปเลยท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วนะเราดูไม่ถึงจิตนะตอนนี้ยไปดูว่างๆแนละ้วมดูออกข้างนอกแนละ้วจิตมันออกนอก ถ้าว่าที่ว่าดูจิตอยู่ดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะตรงนี้สำคัญที่สุดเลยเราขานมาด้วยตัวเราเองอะไรก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่านถนัดบริกรรมไงท่านก็บริกรรมบริกรรมแล้วก็รู้ทันจิตแต่ถ้าเราไม่ถนัดบริกรรมเราก็อย่างอื่น ห, หายใจแล้วก็รู้ทันจิตเดินจงกรมแล้วก็รู้ทันจิตยืนเดินนั่งนอนแล้วก็รู้ทันจิตอย่างนี้ก็ใช้ได้ เ, ออเห็นทันแต่ว่ากดอยู่นะยังกดอยู่อา้าวคนต่อไป นมามสักการนมสักการหลวงพ่อค่ะคือว่าครั้งที่แล้วไปส่งกันบ้านและหลวงพ่อให้กันบ้านมาคือให้ดูจิตนะคะแล้วก็หนูก็มาปฏิบัติเรื่อยๆไม่ทราบว่าตอนนี้คือเห็นจิตกับกายเนี่ยสลับกันไปใช่ค่ะต้องเห็นสลับกันถูกต้องค่ะอันนี้ไม่ทราบว่าเข้ากระบวนการของวิปัสสนาเราหรือ ย, ยังคะหลวงพ่อเห็นไหมว่ามันเกิดแล้วก็ดับไปหมดเลยใช่ร่างกายที่นั่งหายไปร่างกายที่ยืนที่เดินนะเกิดแล้วก็หายไปค่ะจิตใจก็เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ยเกิดแล้วก็หายไปค่ะ นะไปดูอย่างเนี้ยค่ะใ้้ไดนะบังคับจิตอยู่นะเดีอย่าไปบังคับมันใช้ถึงๆหน่อยนี่คนที่น่าสงสารที่สุด ค, คือคนนี้รอานานกลับนมัสการาค่ะดีว่าหนูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะโดนทุบอัตตาไปแล้วรู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนไปเลยอะค่ะอะไรนะหลวงพ่อไม่ได้ยินอะเยโดนทุบอัตตาค่ะอะไรนะโดนทุบอัตตาโดนทุบอัตตาใช่ยังไง ก็หนูก็เลยมาเริ่มนับหนึ่งใหม่อ่ะคะ่ะเริ่มต้นใหม่หมดเลยดีค่ะ<ด>แล้วมันก็เลยเหมือนกับว่าชีวิตมันเปลี่ยนไปเลยอ่ะคะ่ะดีภาวนาแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนเลย<ช>รู้สึกไหมร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่มันไม่ใช่เราแล้วใช่ค่ะมันเห็นแล้วไม่ใช่เรา<ช>เห็นไหมความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราค่ะเห็นไหมความโลภความโกรธความหลงก็อยู่ห่างๆใช่คะทุกอย่างไหลมาไหลไปเหลืออันเดียวจิตเป็นเรา แสดงว่าตอนนี้หนูก็แสด ง, ว, งว่ายังไม่ใช่พระโสดาบัน <c oughs> อ๋อไม่ไม่ใช่ค่ะคือเมื่อวานเนี่ยหนูก็รู้ละเพราะว่าอ่ารู้ว่าเชตเวทนากับกายมันแยกกันจิตอ้าวเวทนาเวท น, นากายจิตมันแยกกันออใช่ไหมคะมันตอนนี้ก็เหมือนกันเวลาเราภาวนาเป็นนะกายก็อยู่ส่วนกายเวทนาคือความสุขความทุกข์ก็อยู่ส่วนความสุขความทุกข์ สังขารที่เป็นกุศลกุศลก็อยู่ส่วนกุศลกุศลจิตซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูก็อยู่ต่างหากขันเนี่ยจะแยกตัวออกจากกันเพราะขันไม่กระจายตัวออกจากกันแล้วขันแต่ละขันก็ทํางานไปตามหน้าที่ของตัวเองค่ะขันทํางานของตัวเองนะขันี่ก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรนะค่อยไปดูนะวันหนึ่งก็จะเห็นว่าไม่มีตัวเราหรอกค่ะตอนนี้ก็คือดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะแต่อย่าให้มันเอื่อยๆไปนะถ้าอยากได้ดีจริงๆนะต้องทําในรูปแบบด้วย ค่ะเพราะว่าตอนแรกหนูยังเริ่มคล่ำครวนแะรู้สึกไหมไม่ใช่เล่าเฉยๆแต่จะคล่ำครวนค่ะอย่านี้ก็คือว่าควรไปฝึกเหมือนอย่างอาทิตย์หน้าหนูจะไปอย่างเงี้ยหลวงพ่อเทียนนะเออหลวงพ่อเทียนเหรอไปหาหลวงพ่อเทียนเหรอไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะไปวัดไตรนาเออขยับนะหลวงพ่อเทียน่ะหลักของการเคลื่อนไหวเนี่ยหลวงพ่อเทียนเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกหยุดนิ่งแล้วรู้สึกงั้นตัวสําคัญไม่ใช่อยู่ที่ท่าเคลื่อนไหวตัวสาคัญอยู่ที่รู้สึก แต่รู้สึกต้องระวังเดียวอย่าเพ่งรุ่นหลังๆนะั้นเริ่มไปรู้สึกแล้วไปเพ่งใส่มือกันอ๋อตัวหนูเอออย่าไปเพ่งนะเพ่งเราใช้ไม่ได้จริงหรอกแค่รู้สึกไม่ใช่เพ่งเอาค่ะศัตรูของการทําวิปัสสนามีสองงานงานที่หนึ่งเผลอไปคือลืมกายลืมใจขาดสติค่ะงานที่สองคือบังคับกายบังคับใจไปเพ่งไว้เพ่งแล้วมันนิ่งไม่มีใจรักนั้นไม่ไม่เผลอไปนะไม่เพ่งรู้สึกกายรู้สึกใจอย่างที่เขาเป็น ค่ะอ่าหมดแล้วยังแม่ชีเอาไหมมันค่ะมามาเงินแม่ชีอยากถามกล่าวว่าสการพระอาจารย์ค่ะโยมอยากถามพระอาจารย์ว่าที่ติดเพ่งของโยมหมดหรือยังค่ะยังนะ่าแต่เบาลงแล้วค่ะโยมสังเกตไหมว่าใจมันเริ่มเคลื่อนไหวได้ค่ะนะแล้วปล่อยให้มันเคลื่อนไหวแล้วเราก็แค่ตามดู ถ้าเราเพ่งแล้วมันไม่เคลื่อนไหวนึกออกหรือยังค่ะมันไม่แสดงสจรักมันขึ้นวิปัสนาไม่ได้เนี่ยตอนนี้ใจไปคิดทราบไหมเออใจไปคิดแล้วรู้ใจไปคิดแล้วรู้ฝึกอย่างนี้นะใจวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อเรารู้ไหมเออให้รู้ทันเอาค่ะอยากกลับถามหลวงพ่ออีกอันหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งโยมไปเอ่อไปตลาดแล้วก็วันนั้นทําสตังหายแต่ว่าไม่ไม่ไม่รู้ตัวว่าสตังหายอใช่ถ้ารู้แล้วไม่หายอ่ะ คือไปไปไปฝากเขาไว้แล้วก็ลืมไปทั้งวัน<อ>เลยอะค่ะแต่วันทั้งวันก็ไม่ได้คิดอะไระพอพอตอนเย็นไปหากระเป๋าตังค์ไม่เจอก็รู้สึกว่าจิตมันเศร้าหมองอจิตมันเศร้าหมองแล้วก็ใครๆก็บอกว่าช่างมันเถอะถือว่าฟาดเคราะ์ไปแล้วกัน เ, เคราะแกนี่ไม่ใช่เคราะเราเนาะแก<ล>ก็ฟาดง่ายสิทำใจอะค่ะทาใจแต่ว่า แต่ว่าโยมก็เห็นไอ้ไอ้ไอ้ตัวเศร้าหมองอยู่ลึกๆนะคะนั่นนั่นเราภาวนาเพื่ออย่างนั้นแหละอยู่ลึกๆแล้วมันไม่ชี้เห็นไหมความเศร้าหมองกับจิตเนี่ยคนละอันกันใช่ค่ะใช่ค่ะนะเนี่ยฝึกอย่างเนี้ยคือกระทั่งเห็นกิเลสกับจิตเนีคนานกันความสุขความทุกข์กับจิตก็คนานกันความคิดกับจิตก็คนานกันนะฝึกไปอย่างนั้นแหละแล้วก็มันไม่หายค่ะจนพอตื่นมาตอนเช้ามันก็เห็นอีกไ อ, อ้ตัวเศร้าหมองอ่าทำไมมันไม่หายความจริงมันหาย แต่ว่ามันเกิดใหม่มันเกิดทุกครั้งที่เราคิดเวลาแม่ชีไม่คิดเรื่องสตังหายมันก็ไม่เศร้าเห็นไหมเขาคิดแล้มันก็เศร้าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้ามีเหตุมันก็เกิดถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดค่ะไม่ใช่ไปฝึกให้มันไม่เศร้านะค่ะแล้วก็โยมก็คิดว่าเออวันนี้ไปไปไปโรงเรียนเช่าๆดีกว่าอะโยมอ่านหนังสือให้คนตาบอดด้วยอะค่ะออ่านหนังสือเราจะได้หายคิดคิดเอาอย่างนี้นะคะทีนี้พอนั่งรถไปอยู่ๆก็ไอ่ ตัวจิตที่เศร้ามองอ่ะมันมันหลุดออกไปนะแค่เรารู้เฉยๆนะมันก็หายก่อนหน้านั้นทําไมไม่หายรู้ไหมเพราะอยากให้หายกิดกฎข้อที่สามคือรู้แล้วไม่เป็นกลางคนะจําได้ไหมข้อหนึ่งอย่าดักดูค่ะก่อนดูอย่าดักดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอาข้อสองระหว่างดูอย่าไปจ้องมันอย่าไปเพ่งอย่าถลําลงไปเพ่งดูห่างๆกดข้อที่สามดูแล้วไม่แทรกแสงค่ะแต่ว่า ที่ที่ที่เห็นนี่อืไม่ได้หลอกใช่ไหมไม่หลอกไม่หลอกภาวนาดีขึ้นเยอะแล้วค่ะกลาบกลับขอรบกวนอ่าหมดเวลาเหลือไม่ชีอีกหนึ่งท่านแล้วจะมีคําถามจะถามไหมครับไม่มีเลยครับแต่ไม่กล้าถามถ้าไม่มีก็จบนะครับไม่ส่งกันบ้านไม่เป็นไรบอกให้ก็ได้นะไม่ชีพยายามรู้สึกนะยืนเดินนั่งนอนเคยรู้สึกไว้ ใครรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนอย่าใจลอยแม่ชีใจลอยเก่งนะไม่ถามก็บอกไม่เป็นไรให้ถามไม่ถามหรอกคนที่กลัวจบละใช่ไหมหรือไงเอาสองนาท<ล><ล>ีนั่งสบายๆนะนั่งดูใจไปใครร้อนบ้างมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะคนไปถามท่านว่าร้อนไหมท่านบอกร้อนพอดี มีวันหนึ่งไปถามหนาวไหมหนาวพอดีหลวงปูบุตรดานคนไปทําน้ําปานะให้ท่านอยากให้ท่านได้วิตามินซีมากๆนะทําสเปรี้ยวสุดๆเลยไปถวายท่านนะท่านก็ฉันนะถ้าฉันเสร็จแล้วอีกวันนึง ต, ตัวเองไปแอบชิมอ่ะหูเปรี้ยวพิสเลยอีกวันนึงไปรดเลยทําให้หวานหวานแล้วก็มาถามหลวงปู่เมื่อวานเปรี้ยวมากไหมบอกเปรี้ยวพอดี เปรีย้ยวพอดีกับมะนาวแหละนะอย่นั้นมันพอดีกับเหตุอีกวันนังทำสวานเจี๊ยบเลยนะสวายหลวงปู่กลัวมันเปรีย้ยวเสร็จแล้วพอส่วนที่เหลือมาชิมอูหวานอย่างนี้ไม่ไหวอีกวันไปถามหลวงปู่หวานไปไหมหวานพอดีหวานพอดีกับน้ำตาลที่ใส่อะถ้าใจเราไม่เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมนะความทุกข์จะน้อยลงไปเยอะเลย ใจของเราทุกวันนี้ที่มีความทุกข์มากเนี่ยเพราะมันเป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมเช่นเราอยู่กับครอบครัวอย่างนี้เบื่อหน้าภรรยาเต็มทีแล้วไม่ตายสถทีแกอย่างเดียวนะเนี่ยใจเราเป็นปฏิปกักษ์แล้วเราก็มีความทุกข์อยู่ในที่ทำงานแบบนี้เราไม่ชอบคนนี้ใจเราเป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมเราก็เป็นทุกข์ร่างกายเราเจ็บป่วยเราไม่ยอมรับความจริงว่ากายต้องป่วยใจเราก็เป็นทุกข์ นะถ้าเรายอมรับทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาด้วยใจที่เป็นกลางได้เราก็จะไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอกนะไปฝึกเอานะได้สองนาทีไหมเราไม่ทิ้งเวลาเปล่าๆหรอกจบยังครับต่อไปก็กล่าวคําถวายผ้าป่านะครับขอเชิญทุกท่านพนมมือและกล่าวนะโมพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตโตตัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตตัมมาสัมพุทธะอิมานิมยังพันเตฟังสกุลจิวราณิสปาริวารานิตินังรัตา น, านานจะอายสัมันตา น, านัง สีระวันตานัญจาโอโนชยามะสาธุโนพันเตอายสมันโตสีระวันโตจะาอิมานิปังสกระจิวราณิสัปปาริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตู อาทีนันจะายาติมิตานันจะาเทวตานันจะาทีครตังกิตายะสุขายะข้าแด่พระรัตนไตยแด่พระคุณเจ้าผู้เจริญในสินสมาธิปัญญาข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าบางสกุลจีวอกับทั้งสิ่งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระรัตนไาตายพรแท้พระคุณเจ้าผู้เจริญในศีลสมาธิปัญญาขอพระรัตนไาตายพรแท้พระคุณเจ้าผู้เจริญในศีลสมาธิปัญญา โปรดรับผ้าบางสกุลจีวรกับทั้งสิ่งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความตุกแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละและขออุทิศส่วนบุญกุศล น, นี้ ให้แดมานดาบิดาญาติติดสายโรหิตมิสหายทั้งหลายกับทั้งเทพพยายดาทั้งหลายทั้งพวงด้วยสิ้นกาละนานเทินยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวาอิโตตินังเปตานังอุปกะปฏิ อิชิตังปฏิตังทุมหังชิประเมวาสมิตชตูสัพเพปูเรนตูสังกัปาจั น, ทนโทปนารโสยถามณีโชติราสโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตูสัพโรโควินั ส, สตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิฆายุโกภวะาอภาิวาธนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโน จตารโรธรมาวะทันตีอายุวันโนสุขังพระลังสาทุ